เรื่องเวทสันดรปริทัศ ต, ตอนที่สามโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยมาลายแสนนี้เราไม่ได้พูดถึงในเรื่องนี้เราไม่ได้พูดถึงเรื่องของพระอริยเจ้ามากมายในโลกภาษีอาริยเมตไตรแต่พุทธเจ้าท่านพูดไว้ในจกักรวรรดิสดนั้นพระอาริยเจ้ามากเกินกว่าในสมัยของพระพุทธเจ้าเราเสียอีก เราไม่พอใจที่จะพูดถึงไม่สาหันนักปราชอาจารย์รุ่นเก่าติ่งพูดเรื่องมาลายสูตรมาลายหมื่นมาลายแสนในดีกามาลายเนี่ยก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องของพระอริยเจ้ามากมายพูดแต่เรื่องต้นไม้ ก, กัะดูกเพลิงเกิดขึ้นซีบุเมืองยากใดอะไรอธิษฐานเอาออกมาแผ่นดินราบเรียบเป็นหน้ากองไปมีศัตรูขู่เวรมีคนซวยสนงนามอายุยืนยาวทั้งแปดหมื่นปีอันนี้เอามาพูดกัน เพราะสิ่งที่เรามาพูดกันนั้นส่วนมากเป็นสิ่งที่เรารักเราปราถนาอายุนั้นไหนจะยืนว่ามันพันปีไปขนาดอ น, นิฝาดไปตั้งแปดหมื่นอยากได้อยู่บนนอนอเพอออกไม่ออกอาดามาบูเอานําเดิมมันหลายโทษแค่นี้ก็ไม่ไว้แล้วมันมากเกินอย่างไรก็ตามเข้าคงที่มีในจกักรวรรดิสูตรที่คณิกาตปฏิกวรคแห่งพระไตรปิฎกเล่มที่สิบเอ็ดนี่จะหาได้ง่ายที่สุดคือสูตรที่สองสูตรที่สอง ท่าจะหาง่ายถ้าท่านเปิดพัตตะบิดกโดยเฉพาะ่าแปลภาษาบาลีไม่ได้ไม่ค่อยเข้าใจก็ไปเปิดพัตตะบิดกฉบับภาษาไทยท่านก็จะได้พบได้เห็นแน่นอนอย่างไรก็ตามท่านยังไม่ได้หยุดดูเพียงแค่นี้เมื่อพูดถึงเรื่องมีพระอริยเจ้ามามากายกองในโลกของพระสีอริยเบสตายแล้วท่านก็ยังพูดต่อไปตัดถึงที่พึ่งที่พึ่งบอาว่าถ้าหาพิสุทธิ์ตางหลายที่ย อยู่ด้วยกันโดยความเป็นผู้มีที่พึ่งที่พึ่งอะไรผู้อยากดูความจริงหลายเท่าทั้งหลายจงมีตนเป็นเกาะจงมีตนเป็นที่พึ่งอัตถีปาอัตต ะ, อ, ตตะอัตตะสรารณาอัตตาบริวายอย่างนี้อย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอือนันยทีปาอันัญยสรณายามีสิ่งอื่นเป็นเกาะขำว่าเกาะขำว่ า, าที่พึ่งขออภัาาายขอเวลาอธิบายสักหน่อย โลกที่เราอยู่นี้อยู่ท่ามกลางทะเลแห่งรูปแห่งเสียงแห่งกลิ่นแห่งรถเรือหว่าสังสารวัตรวนเวียนกันอยู่นี่เกิดตายตา ย, ตายเกิดเพราะรูปเสียงกลิ่นรถปโตรภาอารมณ์จิตใจเข้าไปอาศัยไปยึดมั่นอ่เรียกวันนิสิตานิสิตาแอบอิงอาศัยอยู่กับความพอใจไม่พอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรถ ก, ก็เลยวอยลอ ย, อยกันวนเวียนอยู่ในวัฏสงสารเอาอะไรมาเป็นที่จะต้องหาเกาะ เมื่อในทะเลจะต้องมีเกาะเป็นที่ปลอดภัยที่เรียกว่าทีปา้าทีปา่าพุทธิยถาจึงบอกว่าอัตตาทีปา่ามีตนเป็นเกาะ อ, อัตตาสตรณามีตนเป็นที่พึ่งเดี๋ยวนี้พอพูดถึงเรื่องพระศีอริยเมตตาเกิดขึ้นมาในโลกเดี๋ยวนี้เกิดมีศีอริยเมตไตาปลอมขึ้นมาแล้วเดี๋ยวศีอริยเมตไตาเกิดขึ้นน้องบัวลำพูเดี๋ยวเกิดขึ้นทางเมืองเลยเดี๋ยวเกิดขึ้นทางอูดอนนี่ก็เกิดศีอริยเมตไตา ตัวเมีขึ้นมาแมยยิงขึ้นมา ก, าพากะพักันแน่ไปกาไปไหวสีอารียเมตไตรเกสความที้งสีอารียเมตไตรไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันไกลเกินกว่าที่จะสร้างขึ้นมาได้อยู่ในจิตในใจของเราถ้ามีสิ้นห่าบริสุทธ์ว่ามีจิตใจเมตตาบาลีในหมู่บ้านหนึ่งบ้านเนยหนึ่งร้อยลังคาสี่ร้อยหร้อยลังคาถ้าทุกคนมีสิ้นห่าบริสุทธ์ และทุกคนมีเมตตาปาณีต่อกันนั่นจะเป็นครอบครัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจะเต็มไปด้วยความรักความเจริญและโลกปณิธานเกิดขึ้นดิพปพุทธเจ้าบาวชดุกกรที่สุดทั้งหลายเหมื่อนมนุษย์อายุแปดหมืนปีจะมีพระจากจักรพัฒน์ทรงปนามวาา่าประเจ้าสงังฆาทรงอุบัติขึ้นนาเกตุมณีราชธานีเป็นผู้ทรงทำเป็นพระราชาดโดยทำเป็นใหญ่เป็นโตในแผ่นดินมีมหาสมุทรทั้งสี่เป็นขอบเขตทรงชนะแล้ว แล้วกันเล่าไปว่าบ้านเมืองคนเนี่ยชติๆๆๆติดติติดกันเต็มไปหมดเลยหันไหวยอย่างนี้บ้านคนจะแอะอาจยัดเยียดจะไม่กระทบกระทั่งไม่เค้นไม่ฆ่ากันลนักษณะเช่นนี้กับเมือนบ้านใหญ่ๆชุมชนหนึ่งในบ้านในเมืองของเราเนี่ยถ้าทุกคนมีศีลหา้าบริสุทธิ์มีเมตตาปาณีต่อกันเมื่อนั้นแอะอัดยัดเยียดแต่ทางกายแต่ใจใจกับอบอุ่น นู่นก็พี่นี่ก่อน้องเดี๋ยวนี้มันคับข้างหลังไหลแต่ทางด้านร่างกายแต่จิตใ จ, จมันอ้างว้างว้าเวคนไม่มีสินมีทําเลยจ้องที่จะเอารัดเอาเปรียบอาศัยพึ่งพาอาศัยกันไม่ได้เลยเหมือนอยู่คนเดียวในโลกกว้างมีแต่มนุษย์อันตรายไว้ใจกันไม่ได้เมืองฝรั่งมังคัาที่จะเริญรุ่งเรืองด้วยทรัพย์ ส, สมบัตินานาประการถึงยุคพุทธปฏิปเอนเอถึงยุคกดปุ่มแล้วถึงทุกอินฟโฟเมชันเอถุกข่าวสารทุกดาวเทียมทุกอวกาศคอมพิวเตอร์ แต่เมืองฝรั่งนั้นกับอ้างวางว้าเวทางจิตใจแม้จะนัง่งกดเกงติดแอร์นอนอยู่ในห้องแอร์จะกดปุ่มสักผ้ากดปุ่มกินอาหารมีตึกห้สิบชั้นร้อยชั้นแต่จิตใจของฝรั่งก็อ้างวางเพราะขาดสิ้งขาททำ ทางคนต่าง ม, มั่งมีสีสุขไปได้พึงพาอาศัยสึ่งกันละกันต่องอาศัยตนเองว่าตนเองไนี่มีแล้วเก่งแล้วไม่ต้องเดือดร้อนแต่ในที่สุดจิตใจนั้นมันไม่อบอุ่นมันมก็ยังอ้างวางอยู่ดีดเมืองฝรั่งจึงหันไปเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวจูงหมาจูงแมวไปเป็นพวนคนแก่คนเฒ่าไปไหนจูงหมาไปลูกเต่า ไม่สนใจที่จะให้ความอบอุ่นแก่พ่อแม่เพราะว่าระบบสิลระบบธรรมเขามันไม่ดีไม่งามเรียกว่าไม่มีระบบลีเลชันชีสซิสเต็มหรือว่าระบบขั้นจรรยาลีเลชันชีพสัมพันธ์ทางด้านจริยธรรมต่อกันพ่อแม่ต้องไปเข้าอยู่นู่นนี่คมคนแก่มีอยู่นั่นก็อยู่บ้านคนเดียวลูกล้านนี้ไปดีลูกมีพวมีเมียไม่มาจุ่งมาเกี่ยวกับพ่อกับแม่พ่อแม่ก็เลยอ้างว้างว้าเวขอร้องรัฐบาลไทยมีวันแม่วันพ่อฟาดเธอมาเธอเดชขึ้นมา ยังไม่พอก็ยังเกิดความอ้างว้างอื อ, อ่นั้นเลยว่าร่างตายมันคับข้งางหลังไหลจิตใจมันอ้างว้างว้าเวลโลลิเน่ก็เลยเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวจูงหมาไปจูงแมวไปดาริ i n g sweet โอ้หวานใจของฉันยอดรักว่ากับหมากับแมวไอพวกม้าพวกแมวเนี่ยมันก็คุ้นเคยกับเจ้าของจงรักภักดีพวกฝรังจึงต้องมีโรงพยาบาลหมาโรงพยาบาลแมวมีการประกันชีวิตหมาประกันชีวิตแมวเนี่ย มีเงินประกันภัยแก่หมากแก่แมวรถเยียบรถชนหรือหมาแมวไปกัดใครทางบริษัทประกันต้องเสียเงินค่าประกันประเทศไทยเรานั้นไม่มีโรงพยาบาลหมาพยาบาลแมวบีน้อยพวกฝลังต้องมีสัตะวะแพทย์ต้องมีบริษัทประกันภัยแก่หมาแก่แมวของเขาเนี่ทั้งหมดคือความเจริญทางวัตถุมันคับข้างหลังไรลทางกายแต่จิตใจมันอ้างว่างว้าเวเหมืห่อนไม่พอใจอะไรพลังก็ขาดตัวตายผูกคอตายกินยาตาย ยังมีเรื่องซันอ็อบแซมผู้ชายคนหนึ่งหมาตนเองไม่ชอบผู้หญิงพลผมบอลก็ไปเที่ยวคา่าผู้หญิงว่ามันไม่ชอบใจหมาของฉันไม่ชอบดิมันบ้ามันบอไปอย่างนั้นเอาว่าไปเลยเถอดไปหน่อยเมื่อพูดถึงบ้านเราเมืองเรา ด, ดีกว่าฝรั่งฮ่าแฟนเขาโขงง่ายๆเข า, าเจริญทางวัตถุแต่จิตใจเขาต่าําชาเลวซามเป็นทุกเป็นร่อนเดี๋ยวนี้กําลังสนใจในทางพระพุทธศาสนา ในบ้านปลายนี่กันหนาคิดเหมือนกันแต่คนไทยกำลังจะ ว, วิ่งไปเหิบฝรั่งมะนี่ดิ่งเสาสี่เสียแสงสันหุพินเฮกรับกว่าเป็นนวยแกลววิล่าเข็มคาสีแผงบัวขีแบสิบานเกิดกลางน้องพักพองนี้เมื่อพ่อนปงใบเป็นต้น บัวร่องขึ้นหัวเวนญกำบานเก่าบอลเลิกสังหรณตื่นจะไปหงบนเขินพระไทยเทศให้ฟังเบียา์ฟังตบไปฟังพระฝรังเทศถาฝลังหัวแดงแดงมาบวชเทศมะเละเป๊ะปะสเปสปาโอ้ยฟังกันดีแต่ก็ไม่ลึกซึ้งอะไรเหมือนคนไทยกับฝลังเหมือนฝลังมหัหมวยไทยนั่นเองที๋นี้เรากําลังเถอฝลังบางพวกเถอฝลังไปเข้าศาสนาฝลังบูชาฝลังฝลังพูดอะไรละถูกต้องดีงามไปหมดแต่พอฝรังมานับถือศาสนาพูดก็ช่อมเชยโอ้ดีที่สุด อย่าเพิ่งไปไว้ใจอะไรมากนับหนาะเพราะพวกนี้ยังเข้าไปถึงพื้นฐานวัฒนธรรมของพวกเราอย่างชัดเจนบางคนรู้จักนิดๆเ น, น, น้อๆก็อวดดีไปโอหังจองห้องอีกต่อไปก็จะเอาศาสตนาพูดหนีไปซ้อนกันพิดๆทุกทุกปูจี้ปูจ้ำตั้งแต่คนไทยเกิดอยู่ตรงนี่นอนกาะศาสตนาอยู่ตรงนี้ยังไบ่สนใจที่จะศึกษาเรื่องสมาธิเรื่องภาวนานี่ในสูตรนี่พระพุทธเ จ, จ้าจึงสอนเรื่องโลกภะสีอานแล้วต่อมาสรุปโลภสีอาน เพรว่าในสมัยของพระศรีอาณ์เนี่ยคนจะมีพระอริยเจ้ามากนะักพระศรีอริยเมตไตรเทพพระศรีอริยเมตไตรพุทธเจ้านั้นนะจะทรงบริหารพระภิทุทรงเป็นจำนวนพันมากกว่าเราตาทาคต ขี่ทรงบริหารพิสุเป็นจํานวนน้อยจํานวนร้อยท่านว่าอย่างนี้อริยเมตไตรพระองค์นั้นจักทรงสแสดงทำงามในเบื้องตอนนี้ทํากลางในที่ทรงประกาศประมันจันพร้อมนั่งอัฐาปลยัญชนะบริสุทธิ์บริบูสิ้นเชิงพระผูมิภาคจ้าพน า, พาว่าเมตไตรพระองค์นั้นจกักทรงบริหารพิสุสองหลายพันเหมือนแต่ทาคตบริหารพิสุทรงหลายร้อยในบัด น, นี้นี่ท่านกล่าวอย่างนี้แล้วท่านปัโลรให้ฟังว่าบ้านเมืองเป็นอย่างไงว่าเจ้าแผ่นดินก็จะออกบวชไหวเงี้ยพระเจ้าสังข์ จกักทรงให้ยกสึง่งยกขึ้นซึ่งปลาสาตีประเจ้ามหาปนาท่าทรงสร้างวัและประทับอยู่แล้วจักทรงสละจักทรงบำเพ็ญทานแก่สมณพราหมคนกําพ้าคนเดินทางวันนีพกยาจกคนอยากจนตั้งหลายจักทรงปลงพระเกศาและพระมัจจุรงของผ้ากาสาวพัดเนี่ยเกศามัจสุงโอหาเลตับผังกาศายาทรงโกนผมตรงหนวด ป้องผมโกนหนวนแล้วก็หอมผ้ากาส้าประพัดเสด็จออกจากเรือนทรงพนวดเป็นบนรรพชิตในสำนักพระปู่มีจฉาจับผานำนั้นพระเมศแต่ละท่านแต่สมาสพุทธเจ้าเท้าวเธอจากทรงขันวดอย่างนี้แล้วทรงปรี่งพระองค์อยู่แต่เพียงผู้เดียวไม่ประมาณมีความเพียรมีตนทรงไปแล้วไม่ชาก็จักเป็นผู้ทําให้แจ้ซึ่งประโยชน์อันยอดเยี่ยมที่กุลและปทั้งหลายพากันออกจากเรือนเป็นบนรรพชิตโดยชอบอันเป็นที่สุนแห่งพมาจันทร์บุ่ยปัญญาอันจริงของพระองค์เองในที่ถ้มทำนั้นเที่ยว หมายเขาว่าสรุปสุดท้ายแม้แต่พระจาา จ, ะจะักรพรรดิในสมัยของวสียาอริยเม่ตไตนั้นก็จะปองผมโกนวนวดออกจากเรือนสราะละับบ้นนานลังบวชแล้วก็ได้เป็นพระอรหันต์สุดท้ายพระพุทธเจ้าก็กลับเข้ามามองหาพวกเรา บอกว่าด wow. er ูก่อนที่สังหลายเธอตั้งหลายจงมีตนเป็นเกาะจงมีตนเป็นที่พึ่งจนมีอย่ามีสิ่งอื่นเป็นเกาะอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยดูก่อนพิสุทั้งหลายเมื่อเธอตั้งหลายมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นเกาะไม่ทําเป็นที่พึ่งมีทําเป็นที่อยู่อาศัยมีทําเป็นเกาะเดีวว่าธรรมะทีปาธรรมศสรณาเพชรจังใดจึงซื่อว่าเป็นภูมิตนเป็นที่พึ่งมีทําเป็นที่พึ่งมีตนเป็นเกาะมีทําเป็นเกาะ ดูก่อนพิษสลายพิจุในพิธามวีในนี้นะอิทาพิกเวทพิกูพิจุในพิธามวีในนี้พินาเห็นกายในกายกายเยกายายนุปัสสีวิหาระทะเห็นกายในกายอยู่พินาเห็นกายในกายอยู่สัมปชา น, นุสี ग, มาวินยะโลกเออิชาโทมนัสสังมีสติมีสัมปัญญาถอนความพอใจไม่พอใจออกจากโลกเสียได้หลังจากนั้นพระองค์ก็พูดไปพินาเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมนี่ กำจัดความพอใจไม่พอใจออกจากลโลกนี้ได้โดยสติสัมปชัญญะภูเไ็ตก็คือเรื่องสติปัฏฐานสี่และก็คาเทปลงมาหน่อยก็คือเรื่องอิทธิบาทสดูความพิสุนร้ายเตอตั้งหลายจงเที่ยวไปในโคโจรซึ่งเป็นวิสัยอันเสริมมาเนื่องจากบิดาของตนเมื่อพูดถึงเรื่องโลกภาีอารสีอาริยเมตไตรถิมีพระพิกุ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 บอกว่าเมื่อมีเห็นสิ่งเหล่านี้ถ้าอยากให้มีอายุยืนกว่าเจริญอิธิบาทประกอบด้วยชั้นทัศสมาธิประธานสังขารสมาธิมีหลายอย่างนะฉันทะสมาธิธวิญญาสมาธิกิตติสมาธิาธวีบังคาสมาธิประธานสังขารแม้ถ้ามีเวลาอธิบายกันเรื่องนี้มันก็ดีแต่เรามีเวลาน้อยเอาล่ะเปน็นอาว่าจฉ์มีอายุยืนกว่าดีพิพันธุพ อ, พองก็ดี จะถึงแปด0 0ื่นปีก็ได้เจริญอิทธิบาทมีสมาธิในฉันทะพอใจที่จะทําสมาธิจิตตะฝักไฟในสมาธิวีมังสาไต่ตองพิจารณาที่จะให้เกิดให้มีถึงสมาธิอย่างวิรยิยะภาคเพียนให้เกิดมาซึ่งจิตเป็นสมาธิเดี๋ยวนี้เรามีใครละ่ะตั้งใจที่จะมีฉันทะวิรยิยะจิตตะวีมังสาในสมาธิแตู่อ ถ, ถึงเรื่องสมาธิเราก็เฮาอาบงาบงาบอย่าวาดได้โยมเลยแม้แต่พระสงฆ์องค์เจ้าเราก็ยังไม่ พอใจอันนี้แล้วมันนี่นี่เสาเสียแสงสันหัวยิแนแย่ครับเป็นหน่วยแกวพหล่าเก็บพาสีแ่งขันว่าพื้นพาต้องคงเจ่าก็ยากแต่สร้างนั้นสร้างนี้ออกต้องดีกาเผยแพ่เรี่อยไรกันทั้งปีจะสร้างวัดใหญ่ให่ศาลาใหญ่ๆ่สร้างมาแล้วจู้กันก็ไม่ครบให้ปวกอยู่จำพรรษา อีกบางพวกก็ไม่สนใจเรื่องสมาธิกบบนี้แต่เขียนหนังสือออกมาวิเคราะห์วิจารณ์ตีสับตีสำนวนตีโวหารด่ากันทะเลาะเบาแวงแตกแยกกันพระพุทธเจ้าบอกว่าให้ไปน้ำห้องพ่อข้องแม่เจ้าเด้อภิกษุตั้งร้ายเธอตั้งล้ายเที่ยวไปในโคโจรซึ่งเป็นวิสัยอันเสรเนื่องมาจากบิดาของตนโคโจรไปวัดห้างไปยี่ ไปน้ำทางของพอ่อของแม่พ่อแม่คือพระพุทธเจา้าดูความพิสษุน์ตงหลายเหมือนเธอตั้งหลายที่ไปในโคจรอันเป็นวิสัยอันเสืิมมาจากบิดาของตนจากเจริญด้วยอายุที่เจริญด้วยวันน่าจเจริญด้วยความสุขจะเจริญด้วยโพค่าจเจริญด้วยพานละนี่ไมยั้งบัตรเนี่ยจะหาเจริญท่านจะบอกว่าดูความพิสูุท์ต่างหลายในเรื่องของอายุภิกษุ ดูก่อิสูจนั้งหลายพิสูจท์แงความฟิไนนี้จเจริญอิทธิบาทประกอบด้วยฉันทะสมาธิประธานสังขารจเจริญอิทธิบาทประกอบด้วยวิริยะดังกล่าวแล้วจิตตวิมังสาในเรื่องสมาธิเมื่อจเจริญอิทธิบาทสีเหล่านี้แล้วพอกกระทําให้มากขึ้นถึงอิทธิบาทสีเหล่านี้ปานท่านะก็พึงตั้งอยู่ได้ถึงหนึ่งกับก็ดีหรือเกินกว่าหนึ่งกับก็ดีพิสูจน์ลายนี้แลอธิบายในเรื่องอายุของพิกษจเนี่ยไปดูให้มันชัดเจนเป็นอันว่าเราสรุปได้ทันทีเลย เรื่องโลภสีอานไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันเป็นเรื่องที่จะต้องเป็นไปได้การที่คนโบราณได้จัดงานเรื่องพระเวสสันดรขึ้นมานั้นเพื่อปูฟังมีตาปานีเหมือนจิตใจของพระเวสสันดรเราเป็นไม่ได้ขนาดนั้นก็นได้สักข้าเปอร์เซนตเปอร์เซนต์ผ่านเหมือนก็ยังจะสงบล่มเย็นถ้าเป็ น, ก, นกันไปได้จริงๆทั้งบ้านในหมู่บ้านนั้นก็จะเป็นโลภสีอานโดยไม่ต้องให้สีอ่านเก้สีอานปลอมหลอกเราไปกินหัวนูนเฉียงคานด่านสายคน เมืองเลยพุทธนะมันก็นคือกันนั้นเน่คือเขต้มไปกขาพากันไปอยู่อย่างนั้นภัสศีอานตัวมีพระศสีอันเกิดขึ้นอย่างนั้นนั่นเป็นเรื่องลอโกหกพกลมมันจะเป็นอย่างนี้คนโบราณบาาอกว่าอายุยืดเน่าหมันไร้ปีเห็นหลากไปพ่องูเถิดดวงค้างเกี่ยวกาะ น, นูเดินเจียง์ขึ้นน้ำลมโบหเมื่องเดิอนอยิงสังเราหอดเดิน ห, นหาฟันตาหนาวพระศรีอานแม่ตัวเมียก็มีพระพุทธเจ้าโมดูก่อนพิสุทธังไรยพระโพธิสัตว์จบไม่เกิดเป็นสัตว์ตัวเมียในโลกธาตุเนี่ย พระพุทธเจ้าเป็นผู้หญิงมีไม่ได้ในโลกธาตุหนึ่งมืนโลกธาตุจักรวาลมีพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียวไม่เกิดขึ้นซ้อนกัดกันในกับเดียวถึงสององค์ดีนี่ศาสนาของพระพุทธเจ้าสมมาสัมพุทธเจ้าโคตรมังโคด ม, ดมพองเรายังอยู่จะมีภาษีอ่านแม่เกิดมาสอจนจางฎีพระพุทธเจ้าบว่า ด, ดูความพิศทั้งหลายพระ พุทธเจ้านั้นจะเป็นมาตุคามจะเป็นผู้หญิงนั้นเป็นหนานะที่เป็นไปไม่ได้เป็นอันว่าเราสรุปได้เลยอย่าสุไหเขาเจ้าตัวหลอกต้มกินเงินกินทองลายเดี๋ยวนี้มันมีกันไปหมดพมา่าอะไรภาคสองก็เกิดมีแล้วดอยนางแรงนูนะ่น่ะเอาแหลีเกิดมีแล้วมีพระธาตุเก๋แกวจุฬามณีแหกันไปเองหน่อยก่อนเสียเงินเสียทองบูซาลูกมังคบแทนที่ภาษาไทยเขาเรียก ว, ว่าลูกปลาคํา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 จะไปเที่ยวท่องเที่ยวเมืองนิพานโ่อยจะเป็นไปทัวทีตัวแดนนอกเพราะไงไม่ไนเอาเป็นว่าสรุปได้เลยเรื่องมาลายหมื่นมาลแสนเราก็จบการแข่งนี้เรื่องมาลายหมื่นมาลายแสนเป็นเรื่องที่มาของบุญพระเวสสันดรด้บารอในเรื่องนี้เพื่อปูฟังค่านิยมเซนส์เปิลคือสามัญสำนึก คนในจิตใจของคนเราว่าเราอยู่ด้วยกันมากเท่าไหร่ ย, ยิ่งจำเป็นจะต้องมีความเมตตาปาณีต่อกันมากคนโบราณท่านไม่เพอ้อฝันท่านไม่ใช่ว่าคนไม่รู้เรื่องอะไรความจริงในเรื่องพระพุทธเจ้าบำเพ็ญบารมีทําเดี๋ยวมันมีร้ายทั้งศิกทั ด, ดมีตั้งวิธุละ เนมิลาดพระเตเมจังนี้มหาชนกมหานราธะต่างๆเนี่ยทําไมท่านจึงไม่เอาบุญเตเมทําไมท่านจึงไม่เอาบุญมหาชนกทําไมท่านไม่เอาบุญภูริทัพทาไมท่านไม่เอาบุญนาธะทําไมท่านจึงไม่เอาบุญวิทุละทาไมท่านจึงต้องมาเอาบุญพระเวศสันดรเพราะเน้นไปที่ความ การให้ทานคือการจีสละให้ทานธรรมดาสิ่งของแบ่งปันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันไม่พอก็ให้ทานทางด้านจิตใจให้อภัยซึ่งกันและกันกระทบกระทั่งเมื่อพระเวสสันดรเขาด่าทางเมืองก็ยังไม่โกยางเนี้ยคือนับวันที่มนุษย์ในโลกนี้จะมากโลกจะเลินกล่าวหนาวิทยาศาสตร์กล่าวไปไกลคนมีมากเท่าไรก็ยิ่งต้องการความเมตตาปานีความเห็นอกเห็นใจความฮักความแพงอยู่ด้วยกันถ้ายิ่งมีมากยิ่งขาดศีลขาดธรรมคือความเมตตาตัวเนี้ย โลกก็ลุกเป็นไฟลุกเป็นไฟแน่แน่นอนเลยไม่มีเมตตา น, านามุทิตาอุเบกขามันจะแข่งข่ากันถ้าไม่มีเมตตามันก็เกิดความชิงชังกันไม่มีกรุณามันก็ไม่มีความสงสารที่จะช่วยเหลือเจือจุนกันนี่มันก็อิจฉาตาร้อนกันไม่มีมุทิตาพอยินดีต่อกันมึงดีกว่ากูกูกว่กาสัง่งมึงมึงดีกว่ากูกูกว่าสังมึง ในพยายามที่จะทำลายกันไม่มีอุเบกขามันว่าให้อภัยกันไม่ได้ไฟแห่งความเา ร, ร้อนไฟอิจฉาตาร้อนไฟแห่งความชิงชัง โ, โรภโสะโมหะมันก็จะเกิดเป็นไฟขึ้นมาไม่โลกนี้ไม่จิตไม่ใจแล้วก็ลามไปเป็นไฟนิวเคลียร์ลามไปเป็นไฟระเบิดนิวตันอะไรต่ออะไรเข็นฆ่ากันเพราะเหตุนั้นโลกนี้ขาดทำคำจะเร้อนสูญยุคเข็ม จึงคนโบราณท่านจริงฉลาดต้องเอามามาเอาบุญพระเวสสันดรพวปกปูฟังข้านิยมคือความรักความเมตตาปาณีให้เกิดขึ้นมีในจิตในใจของเราเราก็เลยเอาบุญพระเวสสันดรทีเนี่ยไม่มีเมตตาทํำเลยอันนี้เสียดายมากพอจะบุญพระเวสสันดรทีข่าควายสิบตัวทำให้อาบุญพระเวสสันดน 5, รซะอะย่างดีกว่าบัตรในน้อยสิบโตคนอุ้ยกินเหล่าตีกองเติมทุกเติมทุก ตืมถูกยาบุญพระเวทสันดอนเตะเครื่องขยายเสียงเจิ้ขึ้นมาหนึ่งงวงข่อยคนหัวหลุกห้ายาบหกินกูแล้วเนาะบาปเนาะแม่มันไม่ใช่บุญมหาชาติมันเป็นบาปมหาชาติมหาแปลว่าใหญ่ชาติแปลว่าเกิดเกิดบาปอันยิ่งใหญ่ไม่จะเกิดบุญอันยิ่งใหญ่บุญมหาชาติแปลว่าเกิดเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ทั้งปีทั้งชาติใหญ่ที่สุดชาตินี้บุญใหญ่ แต่นี่มันปาบมหาชาติบุญพระเวทสันดอนฆ่าคว้แล้ว10ตัวหลังจากนั้นกจั่นังจั่งละครคอจูปลูกคำมีมดลำวงแล้วก็เคนฆ่ากันในบุญพระเวทสันดอนตีกันฆ่ากันสารพัดอย่างอย่างนี้จะเรียกว่าบุญมหาชาติได้อย่างไร เรียกว่าบาปมหาชาติจริงเอาไปก็ยิ่งเละเนี่ยทําไม่ถูกเพรเหตุ น, นั้นวันนี้เราบุญมหาชาติกันอย่างนี้ไม่ต้องข้างวัวข้าควายไม่ต้องเทศกันตั้งแต่ดึกแต่ดื่นเทศแบบไม่เคารพทำแหมปูกกันมาเทศ ต, ตั้งแต่ตีสามตีสีต่ตีสี่นิ่หนังกําลังชายเครื่องอาถรร์ต้นไม้ตอมล่าสามหม่นไม้แค่นี้ต้องทำราคําบนจะให้มีเหลือไม่แต่คนเดียวรถรักสามรถของดอนจวดไม้สาวรันสวัสด์เอามัดชายกันไม่รู้หนูอยากรองมาก กอนมาจูมาลูกมาคำใส่จิวกันอยู่ในวัดคนก็เต็มหน้าจอกันนวนกำลังเข้าขันใครแม่ทะเลาะเน้นก็โกยขึ้นธร ร, ร, ร, รมะสิอริงี้ยมาเหต่ใดง้อพอที่ จ, จะต่อต้ากันละป่าพาเว แท้ใครจะไปฟังเขาไม่ฟังเขาดูหนังเขาดูละครมีหนังจำพะสององยากยังไปทําคอยาวฮาลาหอยืดเบังหนังนําเขาดูพอแจกมาชันเขาจังหันแล้แทนที่จะมาฟังทำโดยเขาลบกทํา ม, มานอนเวน้นโดยเขาลบมไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยถ้าจะเห็นเป็นประโยชน์ก็ต้องเขาคันอย่างนี้ทนเช้ามาทําวัดตอดมอนเสร ทำวัดตัวมนมเสร็จแล้วหลังจากนั้นถาวายพัฒนาหารแก่พระสงฆ์องค์เจ้าตอนเช้ารับอนุโมทานาสาธุการจากพระสงฆ์องค์เจ้าเพลทพวกพระสงฆ์องคง์เจ้าชั้นเสร็จโยมก ก, กินเสร็จเรียบร้อยจะแตง่งคัท้าพันก็แต่งมาตั้งเป็นเรียบร้อยแล้วก็ตีกองมารวมกันมาแห่ข้าวพันกอนรอบศาลากันเอาถ้าต้องการประเพณีพิธีกรรมก็ทําให้มันเป็นประเพณีําเป็นพิธีให้มันมีความหมายมีคุณค่า หลังจากนั้นเกาะนิมนต์ท่านขึ้นเทศอย่างที่เราเทศกันเดี๋ยวนี้เถิดหลังจากชั้นเ็จนิยมกอกกินอิ่มแล้วจิตใจก็สาบายท่อมันก็อิ่มก็ตั้งใจฟังกันมันก็จะเกิดประโยชน์มีอะไรปุกกันมาเทพตั้งแต่เดึกๆนูน่นไม่มีคนฟังก็ไปดูหนังดูละครไม่ได้เขารบ ท, ทั้งผูเทศทั้งปูฟังมันจะไปเกิดประโยชน์อะไรเสร็จแล้วพอถึงกลางวันเอาแล้วกินข้าวอิ่มพวก ค่สงออกใหญ่เดี๋ยวดูนั่งดูละครก่อนนอนมันไปกลับไปบ้านฝ่าวไปนอนเว็นโดยเขารบแทนที่จะมาฟังทำโดยเขารบเหมือนสมัยโบราณ คนทั้งหลายก็มีแต่ผู้เฒ่าผู้แก่บางที่มาฟังทำเพอะเป็นพิธีนอกนั้นคนหนุ่มคนสาวคนพอ่อคนแม่คนก็ไปนูนป่นเต็นมิสโกอยู่ในบ้านไปล้ำเเสริมสารวันรเตี่ยนลงลุกขึ้นอยู่หนุนหาเงินแผ่กันหลอนความจริงเงินที่ได้มาเพื่อแผ่กันหลอนอ่ะซื้อเหล้ากันกินเมาหนอกนแตนที่เมียขีสนิมใจลนปิ้งสีบาทถาบาทเอามาเป็นกันหลอนตีกองเติมทุกเติมทุกเข้ามาหอบวัดแลยขอ ตีกองส น, นั่นวันไว้พระกอเทศอยู่เอาปันร้อนมาวางไว้กับไปเหย่ต่อไปจะได้กินเหล้าเรามาฟังเทศพอเป็นพิธีอะไรอะไรก็ทำํำพอเป็นพิธีฟังเทศพอเบ็ดเส้นดอนพอเป็นพิธีพอโบห้คาดพอให้มันเหลวสูบแหลวปั้วปงว่าเขาเป็นทําไมไม่กินเหล้าพอเป็นพิธีบุญนี่กินจกักรเดียวพอเป็นพิธีคือบาวานเนี่ย ฟังวะลลมูเขเป็นพิธีกว่าสัตจ้างมาสักสามสิบนาทีนี่งานเนี่ฟังพอเป็นพิธีนีนะเพราะมันเหลี่ยบบุญเหลี่ยบสุบเหลี่ปังจา้างนังมาสาักสามสิบนาทีมาใชาน้นังตัวอย่างเขาย่อแค่แยะพอเป็นพิธีให้ใหใหใหมันเร็วอือคือจังเบิงกันจนเจกเบิ่งนังจนสว่างฟ้าแจ่งจังปางดูมอลลักันสอดแจ่งทั้งพระทั้งโยมทําไมไม่ดูหนังพอเป็นพิธีฟังลัมพอเป็นพิธีบัดฟังเทศพ่อเป็นพิธี นีมหลอดขาน่อยเพราะเป็นพิธีเอาจังเด่นกันเลเตาไปเอามาะสม์มกประเทพพอเป็นพิธีถือใบลานตามาถังปากาเต็นโตสตาอาหาพีขาวีดุลา่าพีโคทั้งลายเทศพไปไปจนถึงนุ่นมหาพลจุลพลไล่นกไล่ม้าจ่าที่จวมในน้ามเป็นกบบินลบไปล้ห้าเป็นโนกเขียนอ่างสูงกลางยางเป็นนกหงบินสูงสูงเป็นนกแห้งไรมหาจะแต่งย่างนกปูใด้กงจกักดตวัว ยังไม่พอแต่ยินเสียนกันล้อนตีมาติมถูกติมถูกมาไกล้จะหอดวันแล้วมันจบเลยด้ยมันจบมันจบแล้วก็จะเพลดหน้าขึ้นมาเทศิดอีกดู น, นั่นแหละเอ้าหาตมาไปฟังแล้วก็ซ้อมเพลเวทนาบางครั้งนะอย่างเช่เพศิดมัททีเนี่ยมันจบไปแล้วสร้างจังนี้จากเถือนพอเถือนนั่นบ่มีไม่ไพยไม่ไล่และไม่บงหงสิหนีจากสาสานั่นบ่มีดอกบัวผู้ยิงทั้งหลายจังหนีจากผัว จบไปแล้วจบไปเรียบร้อยแล้วกันร้อนกลับมาผ่านมาปีนพิกขึ้นมาคือเก่าฟางจังนี้จากเถอนพอวาเถินนั้นบม่มีไม่ไพยไม่ไล่ไม่บงคงสินี้จากสาสานั้นบม่มีดอกปวัวผููยิงตั้งหลายจังนี้จากผัวปอบัวนั้นบม่มียังจะติงความอนันนี้พันว่าไว้ก็มาได้แก่หน้าไทยราจามาทีนิ่จา้า ล้อขึ้นมาอย่างเก่ากุ้นนั่นมันลอเอากันกร้อนยามไหนอะมันิจบเทกันจนบักสามทุ่มกับบอแล้วไม่ได้ไประโยชน์อะไรเลยคนเทก็ต้องการที่จะเอากันเทศเอากันล้อนจบแล้วก็ไม่จบนั่นทีครั้งหึงที่มา ก, ก็ไปฟังบอกว่าไว้กันร้อนเขายังอยู่คุมร้องเล่นฝนฮาราจบผัานเดซุปปี้มาหลายเถื่อหลายเดนย น, น้อยสัน่นกับใจตั้งครำมาตกใจ กวามจริงแกก็ไม่ได้ตั้งใจเล่นน้อยนะแกอ่านผิดเฉยๆก็พลิกใบลานบันผิดเท่านั้นเองใช่ไหมเงี้ยแต่บางองค์ตั้งแกทําอย่างนั้นจริงๆเพราะเอกนั้นเรื่องพระเวสสันตอนนี่ทําความเข้าใจให้ชัดเจนตั้งแต่ทัศพรหิมาพานทานังกันวรรณประเวศจุลพลมาพุทธเอามันจนจบแต่ละกันมันจะมีความหมายบอกให้เราเข้าใจอย่างชัดเจนมีคุณค่าทางจริยธรรมอย่างสูงสง่งอย่างที่เราฟังวันนี้เอาผู้กัมาในสองชั่วโมงกว่าแล้ว เป็นอันว่าเราปริทัด ก, กันมาอย่างชัดเจนในเรื่องพระเวทในเรื่องงานพระเวทสันดอนตลอดทั้งมาลัยหมื่นมาลายแสนบาทนี้เราจะเข้าสู่การทัสะพรทันทีพอกินเวลาเคลียร์พื้นที่มานานขอ้อพายก่อนที่จะเข้าสู่การทัศสะพอ น, นี้มันก็ต้องยังต้องทําความเข้าใจกันอีกว่าเรื่องพระเวทสันดอนเนี่ยมันมีอยู่ในหลักฐานอยู่สองสองแห่งในพระไตรปิฎกคือในขนุตการกายชาดกเล่มที่ยี่แปดนี่อันนึง และกนในคุธกานิกายจริยาปีดกเล่มที่สาสิบสามนี่อันนที่เราเทเราสอนกันอยู่ทุกวันนี้เราใช้คุธกานิกายของพระไตรปิฎกคุธกานิกายชาดกเล่มที่ย8สบตั้งแต่นาหนึ่งนี่้าไปถึงนาหนึ่งนสอง้บ ตั้งแต่ข้อ 1,415 ไปถึงข้อ 1,269 หน้าที่365เป็นต้นไปฉบับภาษ า, าไทยก็ฟาดไปจั้85หน้าภาษาบาลีก็ฟาดไปตั้ง9 98หน้าส่วนคุกติกาจริยาปิดดกเล่มที่33จริยาที่9หน้าที่500ทั้งหมดมีอยู่ 2-3 ใบใช้เวลาอ่านประมาณ5นาทีจบที่เราเทาเราซ้อนกันทั้งหามรุ่งหามคำต่างเด็ด ตีสี่ตีห้าไปจนถึงสองทุ่มสามทุมนั่นทั้งหมดนั่นเราเอามาจากคุธกรนิกายชาดกเล่มที่ยี่สิบปดอันนี้ปารบเรื่องราวของพระพุทธเจ้าที่เราได้รู้ได้ฟังกันนาส่วนมากมันจะเป็นของท่านนที่ท่านได้จดได้จำและก็นำมาเล่าให้พวกเราฟัง แล้วเราก็มาเทศกันตรงนี้แล้วก็มาแปลเป็นตำรวนไทยมาแปลเป็นตำรวนลาวอีสานเป็นตำรวนทางภาคเหนือก็ใช้กันเทศเยอะหยาดยานคางเอ่ยเอยกันอยู่นั่นก็ใช้กันทั้งวันทั้งคืนความจริงถ้าใช้เวลาอ่านในพระไตรปิฎกทั้งหมดในประมาณจะเป็นภาษาไทยแปดสิบห้าถ้าใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงสามชั่วโมงจบแต่ที่เราเอากันทั้งวัน ท, นทนี้ถ้าเรามา ฟังเรื่องพระเวสสันดรในคุตตการิกายจริยาปิดอกเล่มที่สามสิบสามข้อที่เก้าหน้าที่ห้าร้อยทั้งหมดมีอยู่สองสามใบเป็นคํากล่าวของพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงสแสดงเล่าเรื่องให้พระสงองค์เจ้าฟังว่าหันได้เป็นพระเวสสันดรดังที่อาตมาได้กล่าวมาแล้วเบนนื้องต้นพระพุทธเจ้าท่านบอกวา่าท่านนั้นนะเล่าให้ฟังเองมีมีอยู่ตอนหนึ่งที่ท่านบอกว่าน่าไมหังมติ ก, กังนามะนัปิเปติกาสัมภวัง ชาเตธาเวสวิธียังตัสมาเวชินตะโรอ่แปลว่านามของเราจึงไม่เนื่องข้างฝ่ายมารดาบิดาเพราะเราเกิดที่ถน น, นของคนค้าขายฉะนั้นเราจึงชื่อว่าเวสันดรณนะัไม่หังนะไม่หังไม่หังไปว่าของเราของเราหนะไม่หังมัตถิ ก, กังนามังนามของเราจึงไม่เกี่ยวข้อง นปีเปติกะสัมภวังกับปิดามานดาคำกล่าวนี้เป็นคำกล่าวซึ่งบ่งบอกว่าท่านเล่าของท่านเองท่านเล่าของท่านเองแต่ที่เราฟังกันนี่ทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องที่เราฟังมาจากพระ อ, อนุนที่ท่านเล่า เรื่องราวทั้งหมดนี่จะขึ้นตน้นโดยว่าข้าพระเจ้าได้สดับมาดังนี้ส่วนมากเราฟังกันอย่างนี้เริ่มต้นกันตั้งแต่ทัศพรก่อนที่จะพูดถึงเรื่องทัศพร น, นี่เราก็น่าจะต้องมาทําความเข้าใจกันอีกก็เล็ก น, น้อยว่าเรื่องพระเวสสันดรเนี่ยถ้าพูดในเจ้าท่านท่านเล่าให้ใครฟังตรงไหนความจริงมันมีอยู่สองชั้นนั่นเจ้าแล้วชั้นแรกท่านเล่าให้พระภิกษุทั้งหลายฟังว่าท่านได้เกิดเป็นพระเวสสันดรอย่างนั้อนอย่างนั้ น, น, นในเนี่ยอยู่ในเล่มที่สาสา แต่ทีนี้ถ้าหากเรามาฟังกันอย่างยืดยาวเนี่ยเราก็ฟังมาอีกต่อหนึ่งคือขย้ายออกมาอีกจากท่านจะาอาวไปแล้วก็คือพระอนุนันนะซึ่งเป็นพระองค์โสตุสัต่์ฟังมาตลอดเมื่อท่านท่านท่านได้ฟังแล้วท่านก็มาเล่าต่อคนอื่นฟังในในการที่เราทําสังขารากันอันนี้จะจริงเท็จแค่ไหนก็เป็นอีกประการหนึ่งอย่างไรก็ตามมันมีหลักฐานอยู่ถึงกับสองแห่งดังกล่าวแล้วข้าพเจ้าได้สดับ เสริต่อมาแล้วดังนี้คําว่าข้าพระเจ้านี่ก็คือพระอา น, นุ์หรืออันตมานี่ก็ได้เพาอันตมาก็คือข้าพระเจ้าก็ได้สดับมาแล้วดังนี้เหมือนกันความจริงการสดับของอันตมานั้นไม่ได้สดับมาจากต่อเบื้องพระภาคของพระภูมิพระภาคเจ้ า, จาแต่ได้ฟังสืบ์สิรมาจากครูบาอาจารย์ได้ฟังเท็จเวิษณุดอนอยู่ในหนังสือผูกใบลานคำพีอีสานบ้านเราก็หมักได้สดับมาทางกระไต่ปีดกได้ศึกษาได้ค้นคว้าดู เพราะเหตุ น, นั้นจึงกาได้เต็มปาว่ า, าวข้าพระเจ้าก็ได้สะดับมาแล้วดังนี้เหมือนกันคือพูดถึงเรื่องพระผู้มีพระภาคเจ้าได้สเสด็จกลับจากเวรุวันอันเป็นวัดแรกเกิดขึ้นมาในโลกที กรุงราชจะคืกลับคืนสู่นคนรกบินพัฒเพื่อจะไปทํายาตถาจริยาประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่ญาติบานเกิดเมืองนอนของท่านตันต่ท่นออกบวชมานี่ใช้เวลาหกปีแล้วมาบรรลุอนุตลาสัมมา ส, สัมพธิยานแล้วพระองค์ก็ยังไม่กลับบ้านยังประดิษฐทานพุทธศาสนาลงสูแผ่นดินธรรมปริกิจนะรีรยไรโปรยหว่านทําลงสูแผ่นดินโดยอาศัยอาณาจักมคต คือกรุงราชคึ้ของประจ้าพิมพิาสารซึ่งมีอำนาจยิ่งใหญ่ในสมัยนั้นในจมพุทวีปพระองค์อาสายแผ่นดินที่มีอิทธิพลยิ่งแต่เป็นทุกวันนี้ก็นับว่าเป็นการฉลาดที่สุดที่เผยแร่พุทธศาสนาลงอย่างรัเสเซียอย่างอเมริกาอย่างนี้แหละ หลังจากนั้นชื่อเสียงอันงามของพระองค์ก็ฟุง้งกระจรไปทั่วสารทิศในจมูกทวีปดังเกิดก้องไปถึงบ้านเกิดเมือง น, นอนบ้านพ่อเมืองแม่กบิทนพัสกชน บ, บทพระเจ้าสุดโทธนะก่อนเนิกว่าเมื่อไหลนน่หน้าลูกเราจะกลับมาชื่อเสียงโด่งดั ง, งฟุ้งกระจรไปไกลไม่ว่าพระเจ้าประเซนที่โกศลอันเป็นประเทศอำนาจที่เราต้องเป็นเมืองขึ้นอยู่ก่อนอย่างคารุปรองค์ท่ายอย่างนั้นก็เลยท่งอมมาดไปเชิญให้กลับบ้านอมมาดอง คนไหนไปพระพุทธเจ้ากอดเทนให้ฟังจนบวชมากไม่มีใครได้กลับจนคนสุดท้ายการุธายีซึ่งเป็นคนใกล้ชิดและก็เป็นสหาชาติเกิดมาพร้อมกันรู้จักจิตรู้จักใจกันดีมากเลยว่าเป็นคู่บารมรีกนันเองเหมือนกันพระเจ้าสุตโธธนะก็เลยส่งให้ไปเชิญการุธาจีนี่ก็บอกลาล่วงหน้าไปเลยว่าถ้าเกิดผมอยากจะบวชก็ต้องให้ผมบวชนะผมขอลาไว้ก่อน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 ไปถึงพระพุทธเจา้าไปถึงพรุทธเจา้าและได้ฟังเทศฟังธรรมเกิดสัทธาปราสาท ก, ก็เลยได้บวชในบําเพ็ญสมณธรรมได้เป็นพระอรหันต์สุดท้ายเมื่อสิ้นพันษานั้นแล้วก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาก็ทูลเชิญเสด็จพระผู้มีภาคเจ้าู้เจริญบัดนี้และดูการแห่งวัสงสาฤดูก็ได้ผ่านไปแล้วและดูหนาวก็ย่างกลายเข้ามาแผ่นดินได้เริ่มแห้งแยกแตกะแหลง เราพ่อข้านายวานิษฐทั้งหลายก็นำกองคารวานเกวียนบรรจุสินค้านานาประการไปขายังต่างเมืองและดูการเช่นนี้เหมาะสมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าควรจะได้เสด็จกลับคืนส่โขระนครกระบนะพัดเพื่อโปรดประยุนญาติและตอบแทนบุญคุณของพระราชบิดาและเหล่าสกุยาราชในโอกาสนี้มควแล้วพระพุทธเจ้า เมื่อได้ฟังดังนั้นก่อนนึกถึงเรื่องราวว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตเคื่อทัจริยาประพฤติประโยชน์ตนจนได้บรรลุทำเป็นพระอรหันต์ตัสมารถพุทธเจ้าแล้วจะต้องมียาตัถทัจริยาประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่ญาติผู้มีพระคุณให้ได้รับประโยชน์จากทำวิไนสึ่งตนเองได้ค้นพบได้บรรลุโลกุตลาดธรรมนี้แล้วหลังจากนั้นก็ค่อยทํำโลกัททจริยาประพฤติตนเป็นประโยชน์แก่โลกยิ่ง สระมันของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเสร็จแล้วพระองค์ก็รับคำสเสด็จได้กลับมาถึงกบินภัตใช้เวลามากนะต้องเดินมาวันโยนละโยนละโยนโ ย, น, ยนหนึ่งก็ใช้เวลาเดินหนึ่งวันโยนหนึ่งได้มีสิบหกีิโลสี่ร้อยเซนเป็นหนึ่งโดด สิบหกกิโลท่านเดินไม่มากไม่มาถ้าจะว่าไปแล้ว ก, ก็เท่ากับพวกเราธรรมดานี่ก็เดินได้วันละสิบหกกิโลแต่มานี่เคยเดินวันละสี่สิบห้าสิบกิโลเคยเดินมาแล้วก็ยังพอไหวนี่ท่านเดินเพราะว่ามีบริวารพระสงฆ์องค์จับไปจํานวนมากถ้าจะว่าในตำนานอัธกถาจ่าจนไม่อยากเชื่อพระภิกษุจานวนแสนอย่างว่าคนเป็นแสนอยู่หวายจากกิโลแล้วหัวกระพังมันจะห่างกัน ฮัลโหลฮัลโหลอ้ลองคิดดูพระองค์ก็เลยได้ไปถึงสกจชนบทกรุงกบิลพัทได้ประทับที่นิโคทารามไม่ห่างจากมหานครตามสากยราชจัดถวายต้อนรับพร้อมโดยมูพิกษูบริวารเป็นอันมากจํานวนหนึ่งแสนสิริธรรมะไม่อยากจะเชื่อเลยแต่บัดนี้ในตำนานอย่างนั้นหนึ่งแสหนีไหวยังไม่ได้อีกพอใไงนอกออไม่ออกหัวอยู่นี่หางจะอยู่ไหนถ้าเดินเรียงลําดับกันคนแสนคน ผู้เวจะแม่นหลายคือสิเหลืองเออเขอไปเวิดน์อนองยังความยินดีแผ่ไปทั่วทั้งก บ, บิลพั์ในการนั้นความมหัสจันได้เกิดขึ้นปเป็นเอให้ทรงประกาศเรื่องราวพเวสสันดรตามปกติพัฒนาขเจ้าเสด็จไปณนะที่ใดก็ตามยำบังเกิดความสุขสวัสดีณที่นั่นพระอนุภาพแห่งคําสัง่งสอนที่ได้ตรัสประทานด้วยประมหากรุณาที่คุณอุปมาเสมือนมหาเมฆหลังโปรยสายใหฝนอันเย็นฉ่ำลงมาอย่างโลก ยังความอ้าวระอุของไอดินกิ่นแดดให้ได้รับความสงบเย็นระงรับชุบชีพภษาชาติที่เหี่ยวเฉาให้ฟื้นสู่ความชื่นบานตะการด้วยดอกช่อก้านและใบฉะนั้นแต่สำหรับกบิลพัทดินแดนที่ทรงถือพระกำเนิดและเจริญไหวมวนพระญาติและราชประชา ต, ตั้งหลายหาได้เย็นดีต่อพุทธวิสัยธรรมานุภาพของพระองค์ไว้มันเบิร์กับเราทุกวันเนี่ย ถ้าใครเกิดอยู่บ้านได้และจากบ้านไปไประพฤติทาหรือไปสั่งคุณงามความดีที่อื่นกลับมาบ้านเพื่อจะพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนของตนแม่เป็นเรื่องอยากเย็นที่สุดเขาไม่เชียวเห็นหอดหมือมั่นเกิดผลประทัน ลูกพูนั้นพูนี่มันเป็นดีที่เด่นมาแต่ไสต่อให้ดีแค่ไหนก็ตามเขาไม่ยอมรับนี่เป็นกฎธรรมชาติของมนุษยชาติชอบเพอของใหม่ๆถ้าเป็นคนอื่นมาจากที่ไกลดีไปดีไม่รู้จากหัวนอนปลายตีนทํำตาเก่งๆขึ้มๆสีคือคืนน่อยให้มีพักรุ่งเดินทางมาจากบ้านอื่นแลไปนอนกลางขคกกลางทามไปนอนอยู่แต่ทอมเจ็ดนาดูโอยแฮกันไปเปิดบ้านโตได้เนาะก็หน่อยโผลผู้ขานเนี่ยจะเป็นถูกมันยากลด แต่ว่าถ้าเป็นพระสองค์องค์เจ้าลูกล้านของตอนเองในประเพสปฏิบัติทรรดีแค่ไหนก็ตามเห็นห่อนเหมือมันเกิดคอยอาบหน่ห่อนมาก่อนพี่ดีมาแเจ๊ใส่จำได้ทอนั่นเองนี่เป็นกฎของธรรมชาติเราตั้งหลายก็อย่าถือสาหาความมันเป็นเรื่องราวของมนุษย์ธรรมชาติเป็นอย่างนี้พระบุตรเจ้ากลับบ้านดินแดนทีน่ถือกำเนิดเกิดเจริญวัยหมาม้วนพระญาติและราชประชาอาณาประชาลัทธาได้ยินดีต่อพุทธวิสัยธรรมานุภาพของพระองค์ใหม่ พระ อ, องค์ส่งอุบัติมาเป็นความหวังของคนทั้งแว่นแขวนพวกเขาพากันชื่นชมกระหายใคร่จะได้ชมพระบารมีพระจกักรพรรดิ์เขาหวังเหลือเกินว่าต้องการให้พระองค์เป็นพระเ จ, าจา้าจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ในชมพูทวีปตามคํำตานายของหมอหอนทั้งหลายแต่เสร็จแล้วเป็นยังไงท่านยังเจริญวัยวยังเจริญด้วยวัยแห่งปฐมวัยเซนเกายังดําสนิทยังไม่มีร่องรอยแห่งความร่องรวงรอยแห่งสังขารแม้สักเล็กน้อยความสมบูรณ์ พูณพร้อมทุกอย่างเท่าที่สมบัติประจำวิสัยบุรุษกับเพิงมีพระชายาสงสิโฉมเป็นเลิศงามนะักงามหนะซ้ำก็เป็นโชคอันตปนเสสน์ที่ได้กําเนิดโอรสอันเป็นสิริแห่งวงตระกูลอีกคือได้ลูกชายอีกด้วยเป็นกระสับนุม ม, มีเมียงามผู้ง่ายได้ลูกชายซึ่งเป็นความป่าเถนาของชาวอินเดียเขาวาธาทันเป็นพระเ จ, าจา้าจักรพรรดิลูกของท่านก็จะเป็นจกักรพรรดิต่อไปสืบแทน แต่แต่แล้วพระองค์ทรงแหวกวงล้อมเหล่านี้ออกสูพภัยพึกประพฤติพระองค์ปานประหนึ่งพระเนจรอนาถาค้นขอทานวาันพุกคนยากไร้สร้างความผิดหวังคืนขมงละถมทุกวิปโยคแต่คนทั้งแคว้นและพ่อแม่เป็นเวลานา น, านถึง6กปีก็ทำการงานของชีวิต บำเพ็ญทุกขกิริยาเจริญสมณธรรมอย่างเด็ดเดี่ยวและก็สำเร็จกิจหกปีเดดบรรลุอนุตลาสมมาสัมริญาจากนั้นก็ทรงใช้เวลาไปเพื่อสแสดงทำอนุเคราะห์แก่โลกสเสด็จเที่ยวแจกจ่ายอุบายพ้นทุกข์ด้วยการเทศนาสั่งสอนจนชาวโลกยอมรับแล้วก็เทิดทูนไว้ในฐานะองศาสดาเอกของโลก บัดนี้พระพุทธองค์เสด็จคืนกลับสูกบินพัทแล้วเชาว้ากบินพัทไม่ได้ดต้อนรับในฐานะสัปดาเข้าพากันปีติดต่อพระองค์ในฐานะที่เคยเป็นขวัญจิตขวัญใจของขําต่างหากบัดนี้เฮาสิได้พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใจพระองค์ทับมาแล้วพผนสิกหนึ่เข่ากันายสากญราลาศของเฮาเนี่ย ต้องเป็นเมืองหลวงที่ยิ่งใหญ่เกลือกล้องด้วยแสน ย, ยานุภาพอันแกงเปลียล่ยนใจเหมือนหมอหอนทำนายไว้เขาว่าจางาังซานพราพุได้มอ่อนซอนสะอ่อนใจพระพุทธเจ้าสิบรรลุทำที่ยังสิเทศยังใครฟังเขาบ่ได้สนใจแต่เหมือนคนทุกวันนี้เออเป็นเทศยังบ่ฟังดอกขันเพื่อนฝันทนจังสีฟังนี่ วันแรกเสด็จถึงแผ่นดินดินแด น, นแห่งมานดอนทรงเห็นว่ายังไม่ใช่โอกาสที่ทรงจะประทานประธรร ม, มเทศนาแก่หมู่พระยาติเพราะวันนี้เป็นวันที่วิธีประสารและจิตแจตลอดทั้งร่างกายของคนเหล่านังสารก็ยัเต็มไปด้วยการปีติตื่นเต้น ปรากนว่าเขาไม่สนใจเขามาเฝ้าเต็มไปหมดพวกนุมพวกน้อยก็ามาหนังเล่นจับต้นไม้ยืนเล่นจับพุ่มไม้สันเล่นบางที่ก็นอนค้าเกิดทางไต่คอมไม่มันมาหลายบางคนก็ ย, ยืนคนแก่คนเท่ายืน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 เขาไม่สนใจโดยเฉพาะคนแก่คนเข่าข่านี่เกิดก่อนอาบน้ําร้อนมาก่อนเจ้าชายศิษฐะจะมาแสดงความเคารพนอบนอบไหวทาไมความจริงเจ้าชายศิษฐาจะต้องมาเคารพเรามากราบมาไหว้เราดิเรามายืนอยู่ในป่าไม่เห็นแสดงความเคารพอะไรเลยเขาก็ไม่สนใจโดยเฉพาะพวกปู่เถ่าโดยยังพวกลุงอย่างทันทะปานีิยังพวกอะไรพวกเนี้ยมีจะมาถามสําเจ้าเอาอย่างมาสอนเขาว่าสัตว์สอนแนมันสิบผิดกันหันพระุทธเจ้าถาม พอคนนี้เอาาื่อนวัดสีหาเหตุอแต่มาแปล เ, เองไปใช้หาพิษแต้มงูทันทัปปา น, น่ผู้ใจบอกว่าโอ้ยสอนแนวคนที่บวชพิษกันแล้วเอเนี่ยเด็คนที่หักใจแพงกันนะแกไม่พอใจแกแลบลิ้นแล้วก็ถุยน้ําลายถุยหลากไม่กันเท่าไปเลยวันไหนไปโยชน์อีนั่นี่มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาเรื่องทิฏฐิเรื่องมานะคาอาบน้ําร้อนมาก่อนเกิดมาก่อนอันนี้เป็นความจริงทิฏฐิมานะความให้นั่นเป็นเหตุให้ถือตนถือตัว ถ้าลงจับจิตสิงใจผู้ใดเข้าแล้วก็รังแต่จะทำให้สภาพจิตวิปริตไปเสมือนรากต้นไม้ที่เป็นโลกแม้ฝนจะช่ำน้ำจะโชกแผ่นดินจะฟูด้วยรถปุ๋ยยูเรียปุ๋ยคอกยังไงก็ตามรากที่มันปิดตันกันแล้วด้วยอำนาจแห่งเชื้อโรคมันก็ย่อมไม่ดูดซับเอาโอซัก โอชะอันปานิษฐ์เขาบำลุงลำต้นกินก้านดอกใบต้องเปลี่ยนโกรนต้องตายไปทำไมแก่หล่อนตายแล้วแต่เถิงอนาคตของคนที่มีจิตใจมากเพรด้วยมานะทิฏฐิก็เหมือนกันบางคนบวชมานานยี่สิบสาสิบปีเต็มเพรด้วยมานะทิฏฐิถ้าเกิดพระ น, นมเนน้อยสแสดงทำภัยรอกงดงน้ําในเบื้องต้นทํากลางที่สุดสมบูรณ์ด้วยอัดด้วยทำมีเห็นมีคนเลยถื่อบวเมื่อวานนี่มีเก่งทําไรแหววพอแกมบวชมอดเดือดเขิมขดมาม คือตนหรือตัวอย่างนี้ก็เลยเหมือนต้นไม้ที่มีรากอุดตันไม่สามารถจะดูดซับเอาปุย๋ยอันโฉะปุย๋ยช่ำน้าโชกฝนตกดีําไดก็ตามเลยตายเป็นแม้กันหลอน่อดเพราะนั้นทรงพิจารณาเห็นอยงนี้พระรพุทธเจ้าบนพระเก่งเสน่ห์บัตรไม่สมควรที่เราจะต้องแสดงทำเข้าไม่ฟังมั่นก็นเลยสิคือการกับย่อหยกหนาห่อหินใสๆไมันี่ทำข้นไห่ซุ่มคนน้ำสัวแสดงทำไห่ข้น บ่อยากฟังเนี่พระโพธิเจ้าคนว่าคนโบราณว่าแมนสิสแสดงทำใหม่ซุ่มแนวน้าสัวคือจะงนอหยกหนาม่อหินใส่ใส่คนตาบอดเนี่เป็นอย่างนี้คือคนใหม่มีเหตุมีผลใหม่ยอมรับฟังอย่างคนโบราณท่านบอกว่าแมนสิจุดตะเกียงไก่งอแสงแก่หงส์งสูงมุ่เ้าเศ้าบอดใบเขาบอกความเห็นเป็นอย่างนั้นเชอี่จังเลยต้สแสดงลิตรแสดงเดทเพื่อจะทําลายทิฏฐิมานะซะหน่อยเพื่อล้างความ คือดีอำนาจอภิสิทธิ์อิทธิพลที่ถือกันว่าเกิดมา ก, ก่อนว่าแล้วพระองค์ก็ทำอำนาจอิทธิปฏิหารทรงกำหนด จ, จ, จิตเจริญฉานไว้อภิญยาเป็นภาพพื้นลอยขึ้นสู่ห้วงนาภากาศเสด็จตรีราชจงกลมไปมาหน้าอาันจรร์เดินย่องด่องย่องอยู่ทั้งฟ้าโพนเสร็จแล้ว ก็เกิดมหัศจรรย์ฝ น, นตกลงมาอย่างไม่เคยปรากฏมีมา ก, ก่อนตกลงมาอย่างมหัศจรรย์มีลักษณะดังนี้เรียกว่าฝนฝนโบกลพาดกระจาตกลงมาในกงรงแดนประเทศที่ซาลาคนโบราณเทศนี้หนึ่งฝนมีสีเม็ดน้ำฝ น, นสีแดงเรือเหมือนแก้วทับทิม สองพูดได้ปาถนาให้เปียกก็เปียกผู้ไม่ปาถนาไม่ให้เปียกละององฝนก็ไม่สัมผัสผิวกายสามไม่เลอะเอทอะคังนองก็ให้เกิดโคลนตมอันเป็นปฏิกูลพอฝนหายแผ่นดินก็สะอาดบ่เป็นขีดตมติด ต, ตีนให้สกปรกสี่ตกลงมาเฉพาะในสมาคมพระประโยชน์ไม่มีผู้อื่นอยู่ร่วมประชุมด้วยตกลงมาแต่บริเวณนั้น หลังัากความมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดเกินคน้ป้งหลายกว่าสัจจันทร์แส้ซ้องตอนนั้นตะวันจะตกดินไปแล้ว เมื่อฝนตกฟ้าหลังฝนก็สดชื่นแจ่มใสดอกไม้ทั้งหลายผะเยอกกรีบแย้มบานคิดว่าเป็นตอนเช้าแม้แต่หมูวิหกนกกลาก็ยังบินกลับสู่รวงรังอย่างรังเลเข้าใจว่ากลางวันยามมือเสาหรือยามมือเลขเนาะแ่นกนัปูปีกก็ยังหลงหดอดยามดอกไม้ก็หลงแย้มบานทั้งหมดนั้นด้วยอํนนานาจแห่งพุทธานุภาพคนทั้งหลายก็กลับไปเพราะตอนนั้นเย็นแล้วพิสูจทั้งหลายก็อาศาัยจำโซเลกันหัวจุ่มกันอภูตังปันเตอจฉรียงปันเตแบบเ ไม่มีพระเจ้าขา่าไม่เคยเห็นพระเจ้าขา่ามาผู้ดุจเจ้าเดินไปถามพา ก, กันคุยกันเรื่องอยังเดียวนี้พระเจ้าว้ยบอเคยพอเคยเห็นฝนอีกอย่างจากเป็นเรืน่นี้ตั้งแต่เกิดมาบอกเคยเห็นพระพ้ดุจเจ้าบอว่าบ่เคยเห็นติงฝนซุ่มนี้บ่เม็นตกมาแต่เดี๋ยวนี้แต่กี้แห้งหา่ากุนี้ตั้งแต่สมัยเราตถาคตยังบำเพ็ญพระชาติเป็นพระเวสสันดรเจริญทานะบารมีนี่นี่นี่นี่ตรงนี้แหละที่ท่านเล่าให้ฟัง ท่านบาว่าเจริญทานบรารมีจนพันดินวาดวันไหวเขาสนเสนนุราสันสะเทือนถึงเจ็ดครั้งหลังจากนั้นก็มีครั้งที่เราตายสลบอยู่ในกันทัน์ีีน้องพ่อแม่ลูกเมียได้มาพบกันหกษัตริย์และความสะอึกสะอื่นดีใจตลอดทั้งบริวารสิบสองอโครประเพนี้ก็เลยสลบลงตรงนั้น เกิดฝนแค่นิดเดียวกันนี่เรียกว่าฝนโบกกลภาสกระจายตกลงมาในกรงเทตประเทศที่ศาลาขุนบุรีานเทศยามฝนตื่นพรเบกสันดอนเขาบ้านนะ้าฝนตรงนั้นน่ะยิ่งน่าอัศจรรย์ยิ่งกว่านี้เธอทั้งหลายอยากจะฟังใหม่ว่าอย่างนี้พี่สุทั้งหลายบอกเป็นการต้องควรแล้วพระบรมีภาคจากผููเจริญขอพระองค์ทรงแสดงเรื่องนี้ให้ฟังว่าแต่ก่อนมันเป็นอย่างไงหลังอย่างนั้นทั้งกันเลยได้แสดงเรื่องพระเวสสันดร ว่ามันเป็นอย่างนี้ตรงนี้ก็ลองไปเปิดพัดไตปีดอกคุตตะนิกายจริยาปีดกเล่มที่สามติดสามจริยาที่เก้าข้อที่ห้าร้อยฉบับสยามและภาาบาลีมีอยู่สามองสามใบเท่านั้นนะไม่มากอ่านห้านาทีจบเลยเดี๋ยวนี้เราจะเทศในจบห้านาทีก็ได้เริ่มงระเวสสันดรเนี่ยจะเอาห้านาทีก็ได้หรือจะเอาสักห้าหกเจ็ดชั่วโมงก็ได้ถ้าจะเอาให้มันมากก็มากเอาให้น้อยก็ น, น้อย พุทธเจ้าท่านก็เลยเล่าเรื่องพระเวสสันดรตอนนั้นอยู่ในระยะเดือนสี่นะฝนตกงามแหล่งหันหลายหลองคิดดมมันน่าอัศจรรย์และมหาอาการศเมโควัฒนฝนใหญ่ในสมัยไม่ใช่การตกลงมาท่านโสอันตรธาเปติบูปสเมติยังฝุนทุลีละอ้อที่ฟุ้งขึ้นให้อันตราานไปอันนี้เองความอัศจรรย์ก็เลยได้เทศเรื่องพระเวสสันดรเริ่มตั้งแต่ทศวรรนี้มาผ่านธนการวันนับประเวทท่านเริ่มเทศในเดือนสี่เพราะเหตุนี้พี่น้องชาวอีสานเราจึง บุญพระเวทสันดอนในยามเดินสี่เดินสีมาหอนแหลวบุญพระเวทประจําปีบางพองมีกันล้อนแหงันลำฝอนทัศพอนกันต้นมหาพอนไก่สีเทียงเสียงมันลึกคึกขึ้นให้เมืองบ้านคุ่มเย็นคนโบราณของเราจะเป็นหีตสิบองคลองสิบี่หีดเดินสีก็คือบุญพระเวทสันดอเดินสามข่อยเจ้าหัวข่อยปั่นเข่ากีเดินสีข่อยเน่หน่อยเทกมาที่ปั่นเข่ากีบอไซน้าอ่อยเน่หน่อยเส็จน้าตาตกเดินสีมาหอนแหลวบุญพระเวทประจําปีบางพองมีกันล้อนแหงั้นล่ำฝอนทัศพอนกันต้น มหาพ่นไก่ฟีที่ยังซึ้อมาลึกคึกคือมให้เมืองบาดซุ้มเย็นแต่มาลึกคึกคือมให้เมืองบาดทุกตายกับพ่อชักตีกองกินเหล่าเติมทุกค่าควายติดตัวหมดเงินเพือนละ 1,000 งพันหนึ่ กลัวบนพะเวศเสดเงินออกจากบ้านห น, นึ่งแสบาทผมมีประโยชน์อียังเอาเงินจำนวนหนึ่งแสนบาทที่ซื้อควายมาค่ะซื้อเหล้ามากินตีกับร้อนตีมกองตื่มทุกนั่นเอามาตั้งเป็นลานสหะชากรห ม, มู่บ้านจะได้เป็นสถาบันการเงินส่งเสริมเศรษฐกิจในหมู่บ้านให้แข็งแกร่งพึ้นตนเองได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองอย่างนี้มันจะบมดทุกบ่อหนอาคือประเทศญี่ปุ่นเกาหลีเดี๋ยวนี้เอาบุญหลายจะได้เห็นทุกหลายมันมาเป็นมาลึกคึกคึกในเบื้องบ้านทุมเย็นมันมาลึกคึ้คึกในเบื้องบ้านทูกจนอีพอใหญ่เอ้ย เพราะนั้นเราจะต้องมาอบุญพระเวกันอย่างนี้แหละภาคอีสานอบุญพระเวดเดือนสี่ถือว่าพระพุทธเจ้าแสดงทำเรื่องพระเวดสันดอนทิศโคนิโธทาลามทิศสกัดชนบดกบินพัตเหมื่อเดือนตีทางภาคกลางภาคใต้ภาคเนื้อผัดเอากันยาเขาพันสาตันเดชเขตคาถาพันเทคาถาพันในเงินกันเทศดีปันอย่างไรประเทศเป็นจำนวนเรียกว่าพระมหาชาติทำหลวง แต่งมาจากในล้วนในวงังแต่งเป็นคำลวงโอ้ยอ่านดูนี่ไพ่เลาะเพราะ พ, พิงคนธรรมดาฟังยังบ่เข้าใจถ้อยคำบางคำทางภาคอีสานก็มาหาชาัดภาคอีสานของเราเอจาลานเตี๋ยเจ้ามาที่กนไหก็ไปหัตเทตกันยิ่งมาทางเมืองอุบลถุนแล้วบหลนคําตะมิงกุดศมพูดคนเวลาบ่อนฮัตเท็ดไงฮัตเท็เล่นเสียงตรงไปฮัตห้องอยู่ในน้ำไปมดตรงไปในน้ําร้องจนคอแตกตายมาเนี่ย ข้อแตกเส้นแล้วก็มากินยาจืดน้นำมันงาจิกน้นำมันงาดีๆใส่กับน้ำมันอีกอย่างก็บำจักเหล็กเกินเข้าไปเลี้ยนเสียงแล้วก็มาหัดเล่นเสียงจะมาเถรทำนองสร้างลมบ้าตีนขี่โบอ่เหยียบน้ำนองคุ้าลาดเหยียบก้อนขวดนกเขาเหินนกเขาห้องก็ว่ากันไปนี่เราไม่เอาเป็นอันว่าพระพุทธเจ้าทรงเล่าเรื่องพระเวทสันดอนเมื่อพภิกษุทั้งหลายสนใจแล้วท่านก็บอกว่า เขาตีความอาันจะเย์โดยอุปมาเท่าที่อาตมาคิดเห็นจะประกาศให้ท่านทั้งหลายฟังโดยทั่วไปดังนี้ว่าข้อที่หนึ่งสีของน้ำฝนใดแกสีแดงและเหลือเหมือนสีทับทิมนั้นก็คือสีเลือดแห่งความสดชื่นชมยินดี วันนี้เป็นวันที่สากยราชทั้งปวงรอคอยหลายปีตั้งแต่จากไปหกปีเจ็ดปีแปดปีเก้าปีบัดนี้ความรอคอยก็สมหวังสมหวังแล้วว่าพุทธเจ้าจะเสด็จกลับคืนมาให้เขาได้เห็นพระรูปพระชมจึงพากันชื่นบานผิวพันก็แผ่ส่า้างด้วยสายเลือดอย่างที่เรียกว่าราสีดีราสีของคนที่มีบุญว่าผิวพันอมเลือดอมฟาดคนดีใจหน้าตาก็ยิ้มแย้มแจมใสเลือดอมฟาด เหมือนผัวจากไปซาอุดิอาราเบียเมียรอคอยที่บ้านผัวกลับมาอายบอกินเข่าก็ะไดมีแห่งใจลเด้อิมอ่มเอมอผัวกอเหมือนกันบอกินกระอิมดีใจคือขอดเมียสุดที่รักอยู่ในทะเลทรายมาเป็นปีเป็นชาติไม่เห็นหอดต้นไม้ต้นไผ่ไม่เห็นหนาลูกหนาเมียบอกินก็ไดเลือดอมฝาหน้าตายิ้มเยิย้มเจ็มใจหนี่แหละคือสีของน้ําฝนสีแดงและเลืองเหมือนมเม็ดทับทิงพี่น้องของพระพุทธเจ้าชาวซาคยาล่าเขามีความชื่นชมดีอกดีใจขอดทีสอง ฝนตกมาผู้ใดปาธนาะเปียกก็เปียกไม่ปาธนาไม่เปียกและอองฝนไม่สัมผัสผิวกายข้อนี้ เปลี่ยเหมือนประธรรมเทศนาที่พระพุทธองค์ทรงประกาศออกไปแล้วมีเหตุมีผลสมบูรณ์ด้วยหลักการถ้าผู้ได้ตั้งใจฟังด้วยความเคารพธรรมนั้นก่็จะเข้าสัมผัสทั้งจิตทั้งใจพิ่นี่พิจนายโยนิโซมนาสิการก็สา ม, มารถจะปรับปรุงจิตใจของตนเองตามหลักแห่งเหตุแห่งผลนั้นจนกระทั่งจิตตั้งอยู่ในภาวะเยือกเย็นเหมือนผิวกายต้องละอองฝนสงบลำงับสะอาดสว่างสงบแต่ถ้าระบุคนที่ฟังสักแต่ว่าฟังไม่สนใจคุยกันไปพอให้บรรเล่าสูบแล่าปางพอเป็น ธรรมะนั้นก็ไม่กระทบใจเข้าหงสซ้ายทะลุหงสขวาอุปมาเหมือนฝนตกลงมาไม่เปียกนี่ใครอยากเปียกจังเปียกไอ้บอยอยากเปียกยากาบอเปีย ก, ก, ก, ยกแม่เสิเทสจะหนาให้ซุ้มแนวซุ้มแนวน้าสัวคือจังอืตักตอนนักง่อหินใส่ใส่คือคนโบรานว่าวเล็กก็เลี้ยวไปข้อที่สามที่ประวัติตกลงมาแล้วไม่ซกระปกเลิกเทอะขังนอกอันนี้ปกติธรรมะเป็นของสะอาดไม่ก่อทุกข์กอโทษอันผู้ฟังทั้งหลาย จะไม่พึงรังเกียจแก่ใครๆไม่ว่าการในไหนแต่คนนี้สินมีทําไปอยู่บันไดหมูขเจ้ากับบอสังพระพุทธเจ้าพิสุตังหลายเธอเคยเห็นพระราชาจับคนที่ไม่ข่าตัดไม่ตัดชีวิตไปจับคนที่ไม่เคยรักศกจอกหอจับคนที่ไม่นอกกอกนอกใจสามีภรรยาจับคนที่ไม่โกหกมดเทจับคนที่ไม่ทิ้เหล้าเมายาสมัเลเทมาเธอเคยเห็นพระราชาจับคนเหล่านี้เข่าคคกเข่าตะรางไปเข้นข่าลงโทษนานาประการหรือไม่พิสุตั้งหลายบอกไม่เคยเห็นพระเจ้าข่าวแม้เราเองก็ไม่เคยเห็นไม่มีมัน ในอดีตไม่มีในปัจจุบันและจะไม่มีต่อไปคนที่มีศีลมีธรรมะประการนี่จะไม่มีโทษมีทุกข์ธรรมะนี่ค่ะเหมือนกันถ้งมีในตรงไหนมีศีลมีธรรมวมันสงบล่มเย็นไม่หว่าในการไหนไหนในสถานที่เฉนลนไยสมาคมใดฝนนี้อันเปรียบเหมือนผ้าทำจึงไม่สกปรกเลอะเทอะขังนองเป็นตมเป็นโคลนแผดดินใดมีธรรมสงบลำงับราบเรียบข้อที่สี่บอกว่าฝนนั้นตกอยู่ในหมู่ของป่าญยาดบดตกแพ่ไปบนอื่นเปียกอยู่ในบริเวณนั้น อันนีพุทธจริยานิสงมุ่งบำเ พ, ญพ็ญเฉพาะโมระญาตสากะยะล้วนคือบำเพ็ญยาตถจริยาเมื่อเหล่าสาตยะได้รับความเย็นกายด้วยสายฝนเย็นใจด้วยกระแสแห่งธรรม าการกาบบังคมลาพากันกาบบังคมลาคืนสู่พระราชนิเวศแล้วแต่นั้นก็ย่างเข้าสู่เขตสนทยาการแสงแดนอ่อนสาห่าและอองฝนเลือยตกค้างมาตั้งแต่ตอนบา่ายทาให้เกิดบรรยากาศราวกับจะกลายเป็นยามอารุณคืนย่มมามือเสาะใหม่ที่เท่ในย่ามือเล่งดอกไม้ในสวนก็เริ่มเผยกลีบบาน อี่วื่อนเหมือนหลงเพอแม้นกกาก็บินกับสุรวงรังอย่างหลังเลพิกสดทั้งหลายก็เลยอัศสะจั่ใจคุยกันจันละวันหัวจุ่มตันโสเล่เ่อเคยพบเคยเห็นตั้งแต่เกิดมาฝนแนวนี้พระพุทธเจ้าเขาไปถามท่านพิกสดทั้งหลายก็เล่าฟังพระพุทธเจ้ามาโอ้ยขันจะคงจคับข่อยรีบเอาไห้ฟังฟังบ่แต่กี่เห็นตกายก็หนี่ฝนตรงนี้เหยงเลยฝนเหนือไหนตั้งแต่ข่อยเป็นพระเวสสันดรว่าแล้วทางประเทศเรื่องพระเวสสันดรตอนนั้นในเดือนสีพวกเราชาวอีสานก็ จึงเอาบุญพระเวสันดรในเดือนสี่เอาล ะ, ละเมื่อพุทธเจ้าเทศแล้วเราก็เต้าะสมกันสะพรทศพรทั้งหมดมีอยู่สิบเก้าพระคาถาเทเรียกว่าคาถาพันนะเรามีสิบเก้าพระคาถาคอให้ท่านหลายพูกฝ่ายที่จะจดุดทูบชดเทียนคาถาหันหรือไม่จดก็ได้เพราะมันสว่างสวัยอยู่แล้วะสะแปลว่าสิบพร เพราะว่าสิ่งที่ปเปิดเผยมาจากาาว่าสัมบูระสิ่งที่ปเปิดเผยสิบประการหรือว่าพรสิบประการในกันนี้เป็นการต้นเ้าเรื่องถึงพระนางพุทธศรีผู้เป็นพระแม่ของพระโพธิสัตว์เวสสันดรก่อนที่จะได้มาอุบัติขึ้นในโลกมาเป็นแม่ของพระโพธิสัตว์นี้แต่ก่อนนั้นได้เกิดเป็นอัครมเหสีเป็นเมียของพระอินทร์ผู้ง่ายๆภาษาบาลเรา และก็หมดบนจากสวงสวรรค์จุติจากสวรรค์จะมาอุบัติเกิดในโลกนี้ก็เลยได้กอพร1ิบประการคือสิ่งที่ประเสริฐในกันนี้ก็เล่าเรื่องชื่อบ้านชื่อเมืองคองพระเวสสันดรบ้านพ่อเมืองแม่ของท่านในการขั้งนั้นมีนครนครหนึ่งชื่อเชษตุดรที่คว้นใส่ผีหรือว่าใสมีพระราชาธิบดีทรงประนามว่าสมเยราช พระโพธิสัตว์ทรงอุบัติขึ้นแล้วเป็นพระโอรสของพระองค์อําเนิดจากพระมเหสีทรงพระนามวัปสดีสำหรับพระนางพุษฎีผู้ชนนี้ที่ได้วเวียนอุบัติมาผูพันธุ์เป็นมารดาของพระโพธิสัตว์เจ้านั้นจะมาเกิดโดยบังเอิญก่อหามิจัดอาศัยอํานาจบุญญาบรารมีสัจจาอธิษฐานซึ่งปนางทรงตั้งไว้แล้วในอดีตแต่ชาติยาวนานที่ปราชบริวาชา อุเรชาตปัจโยประชาชาตปัติโยเป็นปัจจัยมาแต่ชาตก่อนก่นอนโน้นส่งมาสมัยที่บังเกิดเป็นราชติดาแห่งกษัตริย์พันปุมะราชร่วมกับผนงังน้องอีกพระองค์หนึ่งแต่ในที่นี้จะไม่ขอกล่าวถึงจะกล่าวแต่เฉพาะผู้ทีเกี่ยวข้องกับพระโพธิสัตว์เท่านั้นกษัตริย์ผู้บิดาเดชทรงประธานแก่นจันแดงอันมีค่าแก่พระธิดาและผนางทรงยินดีเป็นอย่างยิ่งเพราะแก่นจันทหอมเป็นเครื่องประทินโฉมของสตรีในสมัยนั้น นว่าเป็นของขวัญที่ต้องวิสัยของดารุณีแรกรุ่นสาวรุ่นแท้ๆ แ, แต่แล้วลูกสาวปริดาก็สง่งขุนคิดในสิ่งที่สดใสไวย แ, แรกรุ่นใหม่ในจอมคิดคือใครก็ไม่คิดเหมือนนางส่วนานางของน้องก็พอใจพน้องนางแต่พระนางนึกคิดไปอีกแปลกๆพิจารณาดึงความไม่อย่างยืนความไม่ที่แงแท้ของสิ่งทั้งหลายพอจะประมวลได้ดังนี้อันงามกายนั้นมันไม่จีรังถึงจะอัมพังถึงจะพอกจะพัน โดยเครื่องสําอางอย่างทันสมัยชุดบันไดกี่ขั้นก็นตามจากฝรั่งอังกฤษปารีสรอนดอนอเมริกันถึงค่าวจยานมันก็สุดที่จะเยียวยาอันสวยกายแม้จะสวยเก๋มีสเสน่ห์ที่ผู้คนเรียกหาตอนเนื้อหนังยังเต่งตึงจริงจะต้องในตาต่อเมื่อร่างชลาไข่เล่าจะมาแรง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 แกที่ไม่เหม้นสาบฆ่าชีวิตปราศจากสิ่งเหล่านี้ก็มิกลิ่นก่อนตายเป็นเหม้นไม่มีใครอยากจะคบบางคนร่ํารวยเป็นเศรษฐีมีอำนาจราชสาักเขาไม่ยกย่องสรรเสริญต่อหน้าเขาเกลียดชังอยู่แล้วเพราะว่ามีกลิ่นไม่ดีกลิ่นเหม้นเทวรัตเอาเปียบขอรับชั้นชลาดบางหลวงพระราชชาติบอดีบูรงสิน้นสงธรรมจนห้อมกลุ่นกับโมวนใกล้ล ฟ, ฟ้าอานาประชาราษ พระราชธิดาทรงทูลขอพระบิดาอนุญาตขอเอาแก่นจันทร์ถวายพระรัตนตรัเพื่อเป็นการบูชาพระพุทธเจ้านามว่าวิปัสสิธทธพอก็ทรงประธานอนุโมทนากับลูกสาวผู้ต้องการจะเอาแก่นจันทร์ไปถาไวายนางก็เลยแปลสภาพเป็นผงจุนแห่งจันทร์อันละเอียดอ่อนนําไปโปรยเป็นที่สักการะนรกคันทักุดดีที่ประทับก่อให้เกิดกลิ่นหอมฟุม้งตลบปอบอวนตัวทั้งฝิหา้ แล้วนางก็อุทานประกาศความปรารถนาเฉพาะพระพักของพระศาสดาวิปัสสีพระนมมือขึ้นกล่าวว่าเอสาจันทนจุนเนนะปูชาตุมเฮสุมเมกตาโตมหาทิสสะ พ, พุทธสมมาตาเหตุสังอนาคาเตขอเดชด้วยอันหนาที่หม่อมฉันไดชทำสัตระบูชาพระพุทธองค์ด้วยพงแห่งกันจันอันนี้ขอให้หม่อมฉันได้สําเร็จความปารถนาได้เป็นมารดาแห่งพระพุทธเจา้า ผู้ทรงพระคุณอ l e r อันประเสริฐดังพระองค์ในการข้างหน้านี้เถิดขออำนาจบารมีทานจงปกป้องประคองเหตุจะให้หม่อมชั้นได้คลาดเคลื่อนจากผลที่ปาถนาไี้เสร็เลยพระศาสดาวิปสีได้แรงเหุ้มูลเหตุคือสธาอันมั่นคงของพระนังจึงอนุโมธนาพระยาก่อนว่าความปราถนาของบางคนจะสาเร็จอย่างแน่นอนในอ น, น, อนาคตการโ น, นแล เมื่อสิ้นบุญสิ้นวาสนาอันเป็นปัจจัยแห่งชีพในชาตินั้นแล้วพ น, นางถึงเป็นไปตามแรงกรรมก็ได้อุปัติพบชาติใหม่ที่เหมาะสมแ ก, ก่ทุกๆุภพทุกๆชาตินางเป็นผู้ใหม่ประมากสังสมอบรมดับบุญยาบรมี